แป๊บเดียวหมดเวลาแล้วนะเวลาหมดง่ายจังต่ออีกดีไหมฮนะเราสวดอธิตตะปริยายาสูตร เราสวดมองคนจักรวาลใหญ่เราสวดพาหุงบทถวายพรพระและเราก็สวดบทกายคตาสติพิจารณากายนี่บทกายคตาสตินะอืมกายคตาสตินี่พิจารณายิ่งพิจารณาไปเท่าไหร่เรายิ่งเห็นแ็มแจ้งในกายของเราเนี่ยบทนี้เราเคยเราเคยฟังหลวงปู่บุญมาท่านสวด เราไม่เคยเห็นว่าอยู่ตรงไหน น, นี่แหละมาเห็นอยู่ในหนังสือนี่ที่พาสวดเนี่ยพอรู้สึกเขาเขาบอกละเอียดดีตำแหน่งที่อยู่อวัยวะสามสิบสองแต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีสีสันอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็บอกหมด <c oughs> นี่คือบทสวดบทสวด น, นี้เราสวดเราสวดแล้วมันได้ความตื่นตื่นเนื้อตื่นตัวอ่า บทสวนนี้เป็นธรรมะเราดูแต่อาการสามสิบสองบทกายกตาสติมันเป็นบทธรรมะมโลกสมัยทุกวันเขาเรียนรู้เรียนรู้อย่างอื่นออกไปข้างนอกแต่พระพุทธเจ้าท่านให้เรียนเข้ามาข้างในเรียนเข้ามาข้างในแต่จุดประสงค์คนละอย่างจุดประสงค์เพื่อเบื่อเพื่อนายเพื่อคลายเพื่อจาง คลายก็คือคลายจากการยึดติดด้วยตันหาด้วยอบาดทานการที่เราพิจารณาเนืองๆพิจารณาบ่อยๆเราจะเห็นเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเราทับถมเขาอยู่เดี๋ยวนี้เป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นก้อนเป็นแท่งด้วยกันทุกคนเนี่ยคืออัตภาพร่างกายประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ํำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุ ประกอบไปด้วยอาการสามสบสองอาการสาิสองนี่ก็คือธาตุดินกับธาตุน้ำอาการสามสบสองนะท่านมาแยกส่วนที่เป็นที่เป็นก้อนเป็นแท่งเป็นรูปให้เราเห็นส่วนที่เป็นของเล็กๆอย่างอื่นเราไม่เห็นมันมีอยู่ น, นั้นพวกเส้นประสาทพวกอะไรละเอียดเกินไปกว่านั้นอีกเขาก็ไม่พูดพูดถึงแต่เรื่องเอ็นนี่คือส่วน กายกายภาพกายภาพกายวิภาคจำแนกกายเรารู้เรื่องกายของเรารู้เรื่องกายของเราเราสวดอาการสาสบสองเนี่ยเรารู้รู้เรื่องอาการกายของเราเราสวดปฏิจจสมุปบาทหรือวิปัสนาภูมิเนี่ยวิปัสนาภูมิเนี่ย เรารู้อารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนาภูมิรู้จักไหมสวดถึงเรื่องขันปัญจักขันธารูปักขันโทเวรนาขันโทสัญญาขันโทสร้างขาระขันโทวิญญาณขันโทดวาดาซ้ายจตนานีพูดถึงอาการ อายตนะ12บดวาราสะายตนานิจกขวายตนะงรูปายตนะงเศรตายตนะงสัตตายตนังกันถายตนะงรสายตนะงสิวหายตนะงอันถากานายตนะงกันถายตนะงคานายตนะงสิวหายตนะงรสายตนะงกายายตนะงโคตบบายตนะงมะนายตนะงธรรมายตนะง อัทาราสาตุโยทาสิปดจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุโซตธาตุคานาธาตุโซตวิญญาณธาตุคานาธาตุกันทะธาตุคานาวิญญาณธาตุนี่อันนี้ไล่อาการทั้งหมด ท, ท, ทั้งส่วนทั้งส่วนทั้งส่วนที่เป็นรูปและก็ทั้งส่วนที่เป็นนาม วิปัสนาภูมิไปดูไปท่องเอาไว้นะนะไล่แต่เรื่องขันธาตุอายตนะทั้งนั้นขันห้าอายตนะ12บธาตุสิอินทรีย์ยีอริยสัจสีปฏิจจสมุปบาท12ที่ท่านไล่อยู่ในนี้อยู่ในนี้วิปัสนาภูมิมีแต่เครื่องไม้เครื่องมือข้างในที่ท่านไล่ถึงเรื่องเครื่องต่อ แล้วก็ร่นแต่เป็นระบบระบอบที่จะทําให้เกิดเกิดตันหาตันหามันเกิดมันสวมรอยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใจคือผู้รู้เรามันออกมาข้างนอกออกมาทางตาก็าไปเกี่ยวข้องกับรูปอออกมาทางหูก็ไปเกี่ยวข้องกับเสียงในระหว่างที่เกี่ยวข้องกับเสียงเกิดวิญญาณ โสตวิญญาณในระหว่างที่ตาเกี่ยวข้องกับรูปเกิดจักขุวิญญาณรู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางหูคําว่าวิญญาณแปลว่าความรู้แจ้งรู้แจ้งทางจมูกรู้แจ้งทางลิ้นรู้แจ้งทางกายรู้แจ้งทางใจมีไปวิญญาณวิญญาณนี้ก็คือวิญญาณนักขันั่นเองวิญญาณเนี่ยนี่วิญญาณตัวนี้เป็นวิญญาณนักขันท่าพูดถึงรูปธรรมและก็นามธรรมพูดถึงอายัตนะภายในอายัตนะภายนอก พูดถึงวิญญาณหกพูดถึงผัสสะหกพูดถึงเวทนาหกพูดถึงเรื่องเหล่านี้เป็นระบบระบบรูปประทรขณามาทำมาทันสัมผัสสัมพันธ์กันที่เรามีอยู่ไปสวนวิปัสนาภูมิทำไมท่านชือเรียก ว, ว่าวิปัสนาภูมิภูมิเพื่อสลับมาพิจารณาให้เกิดวิปัสนานะวิปัสนาแปล ว, ว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้ง ว, วิเศษ ว, วิเศษแจ้งต่างะ ว, วิเศษแจ้งต่างนันเรียก ว, วิปัสนาภูมิภูมิของวิปัสนาสาหรับนักนักปฏิบัติเนี่ยมีความสำคัญมากไปดูสวดท่องให้ได้อ้ขลังแท้แขลังมากเวลานั้นหลักธมากนะกำหนดสวดแล้วก็ตรองตามไปนี่วิปัสนาภูมิ ภูมิของวิปัสนาเขาเอาไปสวดต่ออายุนันเนี่ยเขาเอาไปสวดทําบุญครอบๆเจ็ดวันเขาเอาไปสวดต่ออายุนี่บนวิปัสนาภูมิเนี่ยอาทิตปริยาสูตรพระพุทธเจ้าพาเชิดดินทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องเนี่ย หนึ่งพันกับสามองค์หลังจากบวชแล้วเนี่ยแต่ไม่ปรากฏว่าได้บรรลุธรรมก่อนนะปรากฏว่าได้บวชทั้งหมดแล้วพระรุจยาพาไปแสดงธรรมที่ขยาศีสักคำว่าขยาศีสักแปลว่าต้นน้ำของขยาก็เพราะพวกชดินพวกนี้เขาเขาตั้งอาสมอยู่ที่ริมน้ำขยาแม่น้ำขยาที่ประเทศอินเดียไปแสดงอธิต่ปริยายาสูตรที่ต้นน้าขยา ว่าถึงความร้อนอธิตะอธิตะปริยยะว่าด้วยปริยายของอธิตะสูตรพูดถึงของร้อนตาก็เป็นของร้อนหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะเป็นของร้อนวิญญาณเป็นของร้อนผัสสะเป็นของร้อนเวทนาเป็นของร้อน เวทนาหกัดสะหวิญญาณหกเลยอยายตนะภายนอกหอยายตนะภายใน6เวลามันสัมผัสปับ๊บร้อนแต่มันไม่ใช่ร้อนเหมือนไฟร้อนเพราะราคักโทสะโมหะร้อนเพราะราคักคิโทสัคิโมหคิมันเป็นของร้อนมันร้อนมันเป็นไฟไฟที่ไม่มีเปลวไฟที่ไม่มีควันนี่เนี่ไฟ ร้อนจนฆ่าตัวตายร้อนจนฆ่ากันตายร้อนถึงขนาดนั้นนะร้อนก็ร้อนก็นไฟแดงๆอ่ะร้อนก็ไฟมีควันทำไมท่านจึงแสดงเรื่องของไฟเพราะพวกเชดินเขาบูชาไฟบูชาไฟแต่ก็ไม่เห็นความร้อนของไฟไฟเห็นแต่ความร้อนของไฟภายนอกแต่ไม่เห็นความร้อนในภายในอู้เราดูกุฎิเจ้าท่านฉลานดนะกุฎธเจ้า ฉันฉลาดฉลาดสอนเปิดเผยให้เห็นให้เราเห็นความโงงของเราเองพูดถึงความร้อนโอ้ยอันนั้นมันจะมาร้อนเท่าอันนี้อะไรร้อนคือราคะโทสะโมหะเนี่ยร้อนที่สุดมันเทศไปเทศไปเทศไปเทศไปสาวกเหล่านั้นก็ฟังฟังเกิดความซึ้งในใจเกิดเบื่อเกิดนายเกิดคลายเกิดจางเกิดหลุดเกิดพ้น ทั้งหนึ่งพันกับสองค์ได้มรุปเป็นพผ้าทหารด้วยอาทิตตะปริยายาสูตรพูดถึงความเบื่อหน่ายตาเบื่อหน่ายหูเบื่อหน่ายจมูกเบื่อหน่ายลิ้นเบื่อหน่ายกายเบื่อหน่า ย, ายใจทำไมจึงเบื่อหน่ายเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นของร้อนแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะพิจารณาไปแล้วเกิดความเบื่อหน่าย แล้วเกิดคลายคลายจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาโด้วยปาทานแล้วเกิดวิมุตต์เกิดหลุดเกิดพ้นเมื่อหลุดแล้วพ้นแล้วมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดแล้วพ้นแล้วอือธิต่าปริยัยสูตร <c oughs> <c oughs> <c oughs> เวลาเที่ยงพอดีชิตังเมชิตังเม เวลาเที่ยงพอดีชิตังมชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วนะใคร อ, อยากเอาต่อไปตลอดทั้งคืนก็ไปต่อเอาเองกันแล้วกันใครไปทำต่อได้พรุ่งนี้มารับรางวัลไม่นอนไปทำต่อที่กุฏิ ถ้าไม่มีรางวัลให้ให้ตามไปเอาที่วัดอมันไม่รู้จะเอาอะไรให้แต่ก้อนหินเยอะนะที่วัดเนี่ยก้อนหินเยอะเยอะน <laughs> ะเอานะไม่ปล่อยกำหนดจดจอพิจารณาไป ทำความสงบก็ไม่ลืมกําหนดจดจ่อเพื่อความสงบความสงบกับปัญญาเนี่ยแยกเอามาแยกบุ้เฉ ย, ยมันอยู่ด้วยกันในปัญญามันก็มีสมถะในสมถะมันก็มีปัญญาลองไปหาเรื่องโต้เถียงกันเองดูไปหาเรื่องโต้เถียงกับความรู้ในใจของเราลองดูโตเถียงสมถะสมถะ บางแห่งเขาก็บอกจนเราหมดความเลื่อมใสศรัทธาที่ที่จะทำสมถะเพราะไม่เห็นคุณค่าของสมถะเหมือนกับไม่เคยสัมผัสสมถะเลยพูดนะสัมผัส ม, มีคุณสมบัติยังไงสมถะสมถะมีคุณสมบัติอย่างนี้เพราะในสมถะก็มีปัญญาอยู่ในนั้นสมาธิ สมาธิไม่เป็นปัญญาถูกแล้วท่านบอกว่าสมาธิมันไม่เป็นปัญญาแต่สมาธิมันหนุนปัญญาเพราะในสมาธิมีปัญญาอยู่ในนั้นในปัญญาก็มีสมาธิอยู่ในนั้นเราจะไปปฏิเสธได้ยังไงมันอยู่ในกำมือของเราเนี่ยเราจะดูดิเราย้อนไปดูเราปฏิเสธได้ไหมตัวสติตัวสัมผชัญญานี่แหละตัวต้นต่อเป็นเหตุให้เกิดปัญญา สมาธิถ้าไม่มีสติกับสัมผชัญญาเนี่ยเป็นสมาธิได้ไหมนู่นพาวิ่งว่อนไปกีทุยก็ไม่รู้ถ้าไม่มีตัวนี้วิ่งว่อนไปแล้วหลงความหลงมันวิ่งพาวิ่ ง, ว, งว่อนไปแล้วปัญญาก็เหมือนกันขาดสติขาดสัมผชัญญาเนี่ยไม่มีสติสัมผััญญาควบคุมเนี่ยแฉลบไปทั่วที่มาแหละร่องลอยเรื่อยเปลยไปแหละเพราะอะไร เพราะภายในใจนะมันกำลังสู้สู้กําลังของตัณหาไม่ได้ตัณหามันแทรกมันยืมมาไปใช้สบายใช้ใช้เงียบเย็นใจอยู่ในนั้นนะไม่รู้จักกำมันซ้ำมันละเอียดลอมันสวมรอยเข้ามาอเราไม่ลืมที่จะคำ น, นังคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ตั้งอกตั้งใจฝึกเอาไว้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานอ้าววันนี้ให้พรเป็นพิเศษวันนี้ให้พรเป็นพิเศษยะทาวาริวะฮาปูราให้พรคนเดียวปริปูเรนติสาขรังเอวะเมวิโตทินนางเปตานังอุปกัปปตี อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิธโยวิวัตชันตุสัพโรโคลวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อภิวาทนาสีิสฤาษิจางพุท ธ, ธาปะจายโนจัตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังอ้าวเลิกได้กลับได้ทีนี้อืม